เมื่อวันที่4ตุลาคมพศ๒๕๔๑ณ ว, วัดปา บ, บ้านสาดแขวงวัดดอนธานีเลยท่านพระอาจารย์มหาบัวอาณสรยักตั้ปันหลเทวีคุณชวนคณะผาปาคุณชวนจะไปทอดผักถิ่นวัดชายแดนกันเมื่อวานนี้ทำงเงินหลยายหนึ่งเดี๋ยวจะหลังทุนอย่างเวทนาเป็นที่สงเว่ยมาตั้งแต่เริ่มเพลินหลั ในวันนี้ก็เะบํเพ็ญกคศลก็ขัดขืนการบําเพ็นทานบรรมเนี่ยว่าเราดำเนินตามเรื่องใหญ่ของพระพุทธเจ้ า, จาที่เป็นบุคคลพระตัวเรยบบุคค เรื่องทานเป็นเรื่องสําคัญในโลกมนุษย์และตับของเราเราเว้นทางเสืียไม่ได้ลูกเกิดมาจากพ่อจากแม่เราต้องอาศัยทานทางเลือดทานน้ำทานอาหารทานเลือกสิ่งเดียวใช้ให้ความสะดวกที่สุดที่อยากหนึ่งทั้งลูกตกโตขึ้นมาเป็นเราเป็นท่านท่านเด็กขึ้นมาจาก ทานของชิดามารดาฤทุนเมคาสิทั้ทงนั้นทาทนจึงเป็นเรื่งเพศสำคัญที่จะทำให้สัตร์โลกอยู่ด้วยกันได้ด้วยความหาสุดหาวะขาดทานเสียอย่างเดียวโลกก็หมดความสิบต่อกันทีนี้เมื่อหมดความสิบต่อแล้วจะเป็นยังไง ความเป็นอยู่ทุกกลิ่ทุกอย่างมันอาศัยกันอยู่เสมอพอขาดความฝึกต่อก็เช่นเดียวกับเราขาดลมหายใจยเป็นไปไม่ได้ชีวิตร่างกายจะอายุจะขนาดไหนไวไัยใดก็ตามถ้าลมหายใจขาดไปเสียเท่านั้นคนนั่นก็หมดความหมายมีธาตุทานได้ขาดไปจากโลกเสียเท่านั้นโลกก็หมดความหมายสําคัญนนีี้้เรียกว่าทานทานอมบาลม์ ว่าการให้ให้หลังกินตอแทนไม่ได้จากกันให้ด้วยความเยื่อใสให้ด้วยความบูชาคุณให้ด้วยความนึกถึงสงสา ร, ร, สารให้ด้วยความอนุเคราะห์หลายด้านรวมแล้วเรียกว่าทานทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ประเสริฐเลิ่นโลกมาประกาศศาสนาสอนที่เราทั้งหลายใน ท, ทั้งถึงทุกวันนี้ การประเบผลมาจากทานเป็นทั้งพันอีกเนี่ั น, านบาลามีชี้และบาลามีเรื่อยไปศาสนาจึงเป็นแนวทางสำคัญถาาแปนบ้านก็เป็นแปลนที่ถูกต้องแน่นดั่งทางก็ตรงแน่วตัดติดที่หมายไม่มีทางติดทางแวะตรงแน่วตัดติดที่หมายโดยไายเดียวศาสนาจึงเป็น ของผู้ควรแก่โลกเสมอมาและเสมอไปไม่มีสิ่งใดที่จะขัดแย้งกันกับโลกถ้าโลกยังมีความมุ่งหวังต่อความสุกความเจริญความร่มเย็งเป็นสิ่งนี่แล้วกราบใดศาสนาก็เป็นผู้ควรแก่โลกแบบนั้นมีแต่ การบำรุง ม, มีแต่การส่เสริมมีแต่การรักษาไม่มีการทําลายก็คือตัดออกมาอย่างอื่นยังมีแท็กอยู่พิษภัยอย่งหนึ่งเช่นดังยาถูกอย่างหนึ่งก็ต้องระมัดระวงังทางบางทีถูกกับโรคชนิดนั้นแต่ก็ขัดกับโรคชนิดนี้อย่างนี้เป็นต้นจศาสนานี้ไม่ปรากฏว่าขัดกับอะไร ถูกต้องไปตามขั้นตามภูมิของบุคคลตามเพศเป็นเพศฆราวาสก็มีธรรมมีศีมีธรรมเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับฆราวาสาเป็นพระเป็นเลมก็มีศีมีธรรมเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติของพระของเลมไม่มีอะไรเีย่งคนที่มีศาสนาอยู่ภายในใจ กับคนไม่มีศาสนาอยู่ภายในใจเดินอยู่ด้วยกันสองคนนั้นเราจะเห็นความแตกต่างของคนทั้งสองเช่นเดียวกับความือและหลังมือคนที่มีศาสนาอยู่ภายในใจต้องมีความต่างอ๋อมีความสวยงามต่างกันจากที่ต่างกันกับ คือไม่มีศาสนาเป็นเครื่อง อ, อุวรนึ่งเรียกว่าศาสนาเป็นเครื่องรักษาก็ได้เป็นเครื่องบำรุงก็ถูกเรามีอะไรอยู่ในบ้านในเรือนของเราถ้าเราไม่คำนึงที่เหตุผลคุณทราบว่าเหตุผลนั่นแหละคือหลักธรรมเป็นหลักธรรมธรรมชาติถ้ามันมีเหตุผลเป็นเครื่อง้าดาเนินแล้ว สิงของเังนั้นอาจเป็นภต่อเราก็ได้แต่ถ้ามีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินพาให้ใชยสอยเรื่องอะไรก็ตามเรามีเงินมีทองอย่างนี้เราจะใช้ในทางไรบ้างเราต้องพิจนนานนให้เหมาะกับเหตุกับผลกับความจำเป็นวันนั้ น, นแล้วเราจะจ่ายใช้สอยออกไปเงินที่เสียไปได้สิ่งที่มีประโยชน์ ที่เราต้องการเข้ามาเป็นเครื่องสนองเราแต่ถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องรักษาเอาคำอยากเป็นแนวหน้าแล้วเงินนั้นอาจกลับมาเป็นไท่ต่อก็ได้นี่สิ่งของที่แลกเปลี่ยนมาด้วยเงินนั้นมาเป็นไถ่ต่อเราประการสุดท้ายก็ใจของเราที่เคยได้ ทำตามความชอบใจตามความอยากโดยไม่คานึงถึงเหตุผลคือหลักทางก็จะกลายเป็นใจที่หาความพอดีไม่ได้ไม่มีขอบเขตไม่มีเหตุมีผลเดินตามความอยากเดินคืนยังลุ่มวันยังคําไม่มีสิ้นสุดไม่มีวิสัยเพราะการเสริมความอยากเสริมเท่าไรก็ยิ่ง <c oughs> ให้มีความทะวีรุนแรงขึ้นจะให้ถึงความพอดีนั้นไม่มี ท่านจะเรียกว่านักตัณหาสม า, าธิตัณหา ค, คือคือความอยากอยากทําอะไรก็อยากทําตามใจโดยที่หนึ่งถึงความถึกถูกเพื่ดีหรืออยากหาอยากอะไรก็แล้วแต่อยากไปไหนอยากทําอะไรให้เป็นไปตามความชอบใจใจที่ได้รับการส่งเสริมด้วยความไม่มีผลเสนี้ย่อมจะกาออําเริบยิ่งแรงเรื่อยเร่อ จนกลายเป็นคนเสียคนขึ้นมาได้สมบัติที่จับจ่ายใช้สอยต่เพราความอยากความเคยชินนั้นกลับมาเป็นข้าศิกต่อจิจัจรั้งตัวไว้ไม่ได้เราอยากไปที่นั่นอยากไปดูสิ่งนั้นถ้าเรามีศาสตานาเราต้องทํานึงไปดูแล้วได้ผลประโยชน์อะไรบ้างมีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ตามมามันเป็นความเสียหายบ้าง คำทำเงำนินทุกัน่าถ้าเห็นว่าไม่คู่ควรแล้วอยากไปก็ระงับเราระงับความอยากไปได้วันนี้วันหลังความอยากไปนั้นไม่ไรุนแรงต่อไปก็ความอยากนั้นจะมาคอยฟังเหตุผลเท่านั้นเพราะเหตุผลเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าเนื่องจากเราสนใจต่อเหตุผลคืออัตถะอะไรก็ตามความเคลื่อนไหวไปม า, า, มาทุกสิ่งทุก อ, อย่างมีเหตุผลเป็นเครื่องขัําประกันอยู่เสมอแล้ว ความความอยากก็ไม่มีอำ น, นาจเลิกไดอมตามหลังของเหตุนั่นลหละเป็นประโยชน์หรือเป็นมงคลแก่คุณ น, นแต่ถ้าเราปล่อยให้ความอยากแทงหน้าไปวันนี้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และเกิดโทษด้วยวันต่อไปความอยากนี้จะทวีส่งแรงขึ้ น, นเพราะได้เพราะมีกําลังจากการส่งเสริม แล้วเราส่งเสริมหยุดในในวันหลังแล้วจะทวีขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อส่งเสริมไม่หยุดไม่ถอยจิตใจก็กลายเป็นไฟถ้าเป็นสัตว์ก็มีเจ้าของถ้าเป็นใจก็หาเครื่องยับยั้งไม่ได้เลยหคนเราเสียไปเพราะเหตุนี้ไม่ใช่เสียไปเพราะเหตุอื่ศาสนาจึงเป็นสิ่งสําคัญมากช่วยรักษาจนกระทั่งเงิน เองอนมีมากมีน้อยให้จับจ่ายใช้สอยในทางที่เป็นประโยชน์ส่วนที่เก็บไว้ก็ให้มีเหตุผลว่าเก็บไว้เพราะเหตุใดส่วนที่จ่ายไปก็ให้มีเหตุผลว่าจ่ายไปเพราะเหตุใดจ่ายไปมากน้อวเสอยียงไหไรให้มีเหตุผลติดตามอยู่เสมอคนนั้นไม่ลืมตัวคนใดมีทมภายในใจคนนั้นไม่ลืมตัวไม่ว่าจะทาอะไรก็ค้าสมคมกับใคร จะทำติดการงานใดใช้สอยอะไรซื่อหาสิ่งใดก็ตา่างไม่ได้ลืมตัวไปไปด้วยเพราะเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมธรรมคือความพอดีจะต้องมีความพอดีเทาเสมอไม่ฟุ้งเฟอ้อเหวเฟิรหมถาตาจะจากทำแล้วเป็นไปในแน่ต่างๆลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งเฟอเเอ้อเหวเฟิรมเงินก็เสียไปเสียไปจิตใจเสียไปด้วย ในหาดที่ดีไม่น่าสมบัติงเงินทองแทนที่จะเป็นประโยชน์สนองความต้องการของเราในทางที่เป็นเป็นความสุขความสบายแต่กลายเป็นค่าสุดที่เป็นพิเป็นห้กต่เราได้ด้วยเหตุดังกล่าวมันฉะนั้นศาสนาจึงเป็นของจําเป็นมากที่เราทั้งหลาจะคํทำ เ, เรามีคุณค่าก็ก็มีคุณพก็ความประพฤติ ไม่มได้มีคุณค่าด้วยเนื้อด้วยหนังอย่างจัดทัง้งซึ่งเวลาตายแล้วเนื้อหนังเขาเข้าตลาดจลายมาเป็นเงินเป็นทองทั้งเด็กเยนฮ า, าราสุเจอกคนทั่วๆไปแต่มนุษย์เรานี่ตายไปแล้วเปรีผีกันเนื้อหนังไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษอย่างเดียวคือเัรวยผีเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจริงไม่มีคุณค่าอู่กับเนื้อกับหนัง เหมือนจักว์ทั้งหลายแต่มีคุณค่าอยู่ในความประพฤติการประพฤติตัวนี่เป็นจริงคับความประพฤติธรรมะความประพฤตินี้มีกว้างขวางมากมายเออ่อกรุณานได้พิจนารณาแยกแยะในหน้าที่<ม>การงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเราจะต้องจับต้องทำทำให้ดีทำให้ถูกทำให้เหมาะสมอย่าลืมเนื้อลืมตัว เกี่ยวกับกิจการงานนั้นๆหรือเกี่ยวกับสิ่ง น, นิ่นเนนงเงินมันเทงอะไรก็ตางมนุษย์เราไมา่ใช่คนตายเวลาเล่นลงมันถึงก็ตมม้องหมีแต่ขอให้ญาติครอบเสด็จให้มีเบรคคุณหนึ่งหนักระเยียบตั้งแต่คัำเร่องอย่างเดียวรถทั้งคันเขามีทั้ ง, งเบรคมีทั้งคันเร่งมีทั้งพวงมางลัยสิงเหลานี้มีไว้สำหรับ ความสะดวกและปลอดภัยแต่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารข้างหลังถ้าเราจะขับขี่เร่งแต่ครังเร่งโดยถ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงถนนของทางสถานที่ที่ควรไม่ควรแล้วรถนี้ก็เร่งลงคลองได้รถลงคลองคนก็ต้องลงคลองรถทิพหายคนอย่างน้อยคนต้องจุมากกว่า น, นั้นคนก็ต่ำเพราะความประมาทในการขับรถ เราอยากเข้าใจว่ารถจะต้องเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อเราเสมอไปถ้าเราไม่สําคัญในคุณค่าของตัวเองแล้วเกิดความประหม่อในทางตัดเ ร, ร, รถอาจจะทําความทิพหายเสียเราอย่างผลตี้ก็ได้ถึงสถานที่ควรจะเรง่งเราก็เร่งถ้าจะทำให้เต็มไปด้วยความสวัสดีเกาะไทยถึงสถานที่ควร ที่ควรเลี้ยวเรวก็เลี้ยวสถานที่ควรอก็รอสถานที่ควรจอดคนหยุดต้องหยุดไม่หยุดไม่ได้เหตบังคับให้หยุดมีอยู่เหตุบังคับให้รอมีอยู่เหตุบังคับให้เร่งก็มีแต่ยังไงก็เพื่อความปลอดภัยด้วยความระมัดระวังในการขับขี่ทุกระยะที่ขับด้วไม่ประมาทรถก็เป็นคุณเป็ประโยชน์แก่เราสนองความต้องการได้อ ย, าอย่างใจกานที่เราจะกระพริตัวที่ เดียบเหมือนกับการขับรถก็เช่นนั้นเหมือนกันเราอย่าลืมเนื้อลืมตัวเรามีคุณค่ามากด้วยการระมัดระวังด้วยการปฏิธรรมของเราเป็นประโยชน์มากเกิเพี้ยหาให้ก็มากให้เราระมัดระวังนี่แหละมนุษย์มีคุณค่าขึ้นมาเพราะตรง น, นี้เองยิ่งเราได้รักษาศีลธรรมมี ค, ความมั่นคงครอพันจิตใจของเราความเสี้ยหายจะมีน้อยมากถึงกับไม่มีเลย เพราะฉะนั้นศาสนาจึงไม่มีอันใดที่จะเป็นการขัดแย้งต่อโลกต่อสุกสังคมมนุษย์ทุกทชั้นชาติวรรณะศาสนาเป็นเทื่อเคียงนี้เป็นเครื่องกระดับอันดีงามคนที่มีมารยาท ด, ด้วยศาสานาเป็นเครื่องกระดับนี้จะพูดด่าออมาก็มีเหตุผลน่าฟังทําอะไรก็มีเหตุมีผลทําเครื่องน้อ ย, ยไปมาทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งวนไปหมดงามไปหมดงามด้วยศีลด้วยธรรมนี้ งามไม่จีดไม่จางงามทุกวัยงามทุกเทศไม่ว่าเทศหนุ่ททเทศสาวเทศครับเทศเมียงามทุกวัยไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่ถ้ามีสีธรรมเป็นเครื่องกระดับงามอันนี้ไม่จีดจางไม่เหมือนกับงามตามวัยงามตามไวไมัยวัยหนุ่มวัยสาวดูก็สวยงดงามพอเท่าแก่ไปแล้วก็ไม่น่าเดูแต่ศีธรรมนี่ไม่มีความเท่าแก่สลักมีความงามโคงเส้นสมมาอยู่เสมอ ถ้าอยากจะงามไม่ถืดจางก็สนใจในหลุมถังในยากความประพฤตการตะเกียบการเกลีการเตะก็มีเป็นการเป็นเวลายังไงก็อย่าลืมเบรคเหยียบแต่คันเร่งมีทั้งเบรกมีทั้งคันเร่งมีตั้งพวงมาลัยถึงเวลาคนกลับต้องกลับมีเฉพาะวงมาลัยหมุนกลับถึงเวลาจะไปก็ไป เหมือนระเบียบกัรเล่นถึงเวลาจะรอก็รอไปรู้จักประมาณในการไปการมาการเคลื่องานต่างๆทีนี่มันเถื่เฉียเวลาไปแล้วเราก็เอาเรื่องไปน้ำหนนะักมาบวกมาลบดูอีกว่าวันนี้ไปได้ประโยชน์อะไรบ้างที่จะเป็นผนประโยชน์ในอนาคตต่อไปนับตั้งแต่ขณะนี้จะมาทั้ง วันหน้าเดือนหน้าปีหน้าถ้าบว่าจะเป็นความเสีหายแต่ตไปเรื่อยๆก็คุ้ค่ากว่าถ้าเราตั้มเข้าไปมากๆก็จะเป็นเหตุหลเสี ย, ยมากขึ้นไปก็ยับยั้งเสียนะเดียกว่าเรามีเหตุผลใช่จะไปที่ไหนไปเพื่อก่อยตัว่อยตัวแล้วก็ล่อยจนตายคิดหายทั้งเป็นทั้งชีวิตมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีคุ้ค่ามนมูลค่ะอย่างนั้นไม่ได้เพราะมนุษย์เรามีคุ้ค่า อาจะทําให้เลวที่สุดนีก็ได้มนุษย์ทั้งเรานี่แหละยามนุษย์ได้แต่ใครก็ได้แต่เราทุกคนเราหวังความสุขเราก็หวังความเจริญทุกเรื่องเราก็หวังทําดีงามที่สุดทุกอย่างก็อยู่กับมนุษย์ของเราเนี่ยไม่ดีที่อื่นควาเร็วก็อยู่ในมนุษย์ของเรามนุษย์นี้่แยกได้หลายประเทศแยกไดหลายแง่หลายมุมในคนคนเดียวแต่เราจะตกแต่ง ขระเคลื่อนงเราให้ดีขนาดไหนตรุงได้แต่งได้ลเอี็ดสวยงามทั้งด้านภายในภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยอํานาจของธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องหนึ่งไปถึงเร่ศาสนามีพุทธเรื่องศาสนาขึ้นพื้นพูดให้ลึกเข้าไปกว่านั้น ห, หมายถึงการเจริญธรรมะ ภาวนาให้จิตใจได้มีความสงบ เ, เยือกเยน็นหัใจลงได้สงบเยือกเย็นเพราะการภาวนานแล้วความเชื่อมั่นในศาสตานานั้นจะแน่นหนามันนม่นคงไปโดยลำดับมีความรู้ความเข้าใจขึ้นจากภาคปฏิบัติมากน้อยเท่าไหรยิ่งเป็นการสังแรกแห่จิตลงลึกต่อศาสตนาอย่างนั้นขนาดี่ว่าเป็นก็เป็นตายก็ต า, าย เรื่องศาสนาเนี้ยจะไม่ยอมปล่อยวางทั้งฐานร่างกายคนไม่ไหวก็ตายไปแต่คําตัดความกินความเพื่อมั่นความ่มตไถความเลี้ยงมั่นที่มีต่อศาสนาเนี้จะไม่ยอมปล่อยวงง า, นน า, ยวาย ง, ง, งเป็ น, น ง, ททงนนนานให้หมายาาถาึงอาจารย์ศาสนาฝังใจที่เรื่องกายแตกไปไม่เสียดายยิ่งกว่าศาสนาฝังไม่หายใจข่ามือ แล้วศาสนานี้เป็นประโยชน์ทั้งปัจจุบันเป็นประโยชน์ทั้งในครอบครัวและคน ด, ดูไม่ใช่จะเป็นประโยชน์อยู่ในวัดในวังเพราะศาสนาไม่มีอยู่เพียงในวัดในวานในโบสถ์ในร้านมีอยู่กับข้ากับเมืองเท่านั้นแต่มีอยู่กับทุกคนาศาสนามานิยมธาทุพนมันนะมานิยมเพศธรรมะเพศพระเพศเมืองมีได้ด้วยการฆาตปฏิบัติให้มี จะไม่ให้มีวัดก็คิดหายได้วัดก็ทําความเพื่อได้พือพระเนนในวัดก็ทำเพื่อได้ถ้าไม่มีที่ีโอสถปะาภาในใจทเท่านั้นทําชื่อได้ด้วยกันถ้ามีแล้วในวัดก็ดีผูม้มีที่ีโอสถปะมีความเพื่อความรังไงต่อบุญต่อมาหรือากวัดก็ดีพระวาดก็ดีศาสนามีได้เพื่อกันเท่านั้นถ้าไม่มีเฉพาะในตู้ในหีบในกําถือ ในวัดยาอาวามีอยู่กับทุกคนความดีให้เราทำเอาเธออยู่ับเรานั่นแหละให้อยู่ที่ไหนทำให้ประจักษ์ธนใจก็รู้ชัดๆใ้คุณธรรมของเราที่ได้ผลขึ้นมาจากการม แ, แติบักแท่นจิตตะพวนาเป็นต้นมีเป็นหลักใหญทของศาสนาได้แก่จิตตะภ า, าวาานหรือการเจริญภาวนาทำจิตให้สงบเทียเ่ยงคงจนกระทั่งถึง ความรูเแจ้งแทงกระหลอดในสัตว์ปรมที่ไหนิการเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งเดวงนั่นแหละชื่อผู้ทรงศาพนาอันสูงใสหรือทรงศัพนาอันสุดยอดตรงทำอย่างสุดยอดจิตก็ถึงสุดยอดของธรรมธรรมก็จิตเป็นอันเดียวกันก่อนมีอยู่ในวงพุทธศาพนาอย่างนี้เราเจ้ประเทศดังนั้นได้ทั้งนั้นตามแต่ควสามารถของเราแต่เพื่อต่อพิบัติขอทุกท่านเน้นํา หลักธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้าๆๆๆๆเป็นเครื่องรประดับกายประดับใจทั้งตัวในปัจจุบันนี้เราก็มีความ เ, เย็เย็นตร็นติต่อไปในอนาคตการ้างหน้าความสุขความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นจากการแต่ทําดีทั้งเหลานีา้เท่านั้นไม่เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากเราไปข้างหน้าเราก็สวยขึ้นเอยากับอยู่ในโลกนี้อยู่ในสมมติจะต้องอาศัยอาศัยดินอาศัยอุ่นงามความดี นอกจากพ้นสมมติไปแล้วนั้นเป็นอีกอย่างเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกเอาหันท่านพ้นสมมติไปหมดแล้วถ้าจะปลูกถึงกฎหมายก็เลยท่านหนูกฎหมายท่านหนูกฎหมายธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกสมมติท่านไปหนูท่านค้นไปแล้วพวกเราอยู่ในก่อบของความสมมุติดูขั่วสุดทุกจําเป็นจะต้องไล่เกาะแก้หาความดี เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งหลายเมื่อเจอร้อนก็หีดจากร้อนเพ่อให้เจอเยน็นเจอความสุขความสมาเมื่อเจอทุกข์ ก, ก, ก็ให้เจอสุขบ้างหลบจากทุกข์มาเพให้เจอสุขบ้างเพราะสุขละเราก็สร้างมาทุกข์เราก็สร้างมาเนื่องจากดีกับชั่วมันอยู่กับมนุษย์คนเดียวกันแต่ยังไงขอให้มีดีติดอยู่กับมนุษย์ด้วยอยู่กับเราจะให้มีแต่ชั่ว มีแต่เครื่องร้อนเพียงรายจะหาที่ร่มเย็นจนสุดมันหาไม่เจอเพราะเราไม่ได้สร้างไว้แตเราสร้างไว้แล้วหลบจากทุกมาเข้ามาเจอสุนกันมากหลบจากร้อนมาก็มาเจอเย็นเพ่อให้เะด็จกันักที่เราสร้างไว้เวลานี้ก็บท่านทั้งหลายมันมาสร้างมันสร้างปุถุชนมันเป็นกิจกรรมดีเพื่อเป็นประโยชน์ในปัจจุบันในอนาคต เมื่อขาดเพชรที่เรายองตาตบผิวขาดใจสวงามความดีเหล่านี้จะเป็นเครื่องกางขนมใ่ไห้คับความจิตายสบายใจเมื่ชรแน่นนั้นจนกระทั่งถึงบารมีที่เรามีความสามารถเต้นภูมิด้วยอานาจแห่งการปฏิบัติของเราแล้วเราก็เพิ่นจได้เพิ่นเดียวกับด้วยใและสายทั้งหลายนั่นแหละคือขอจิตธรรมเกี่ยนเท้านี้